บทที่8ความเป็นมาแห่งผู้สร้างนครปาตาลีบุตรตอนปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารถูกตัดขาดจากพระกยาหารโดยพระราชองค์การแห่งเยาวกษัตริย์อาชาศัตรู ความหวังในการจะทรงพระชนชีพอยู่ของพระองค์เหลือน้อยเต็มทีแล้วประหนึ่งหยาดวารีซึ่งกรอกลิ้งอยู่บนใบแห่งปฐุมชาติเมื่อแสงศูนย์ส่องสาดลงมาก็จะพลันเหือดแห้งหายไปถึงกระนั้นก็ตามพระองค์ก็ยังทรงหวังหวังว่าพระชนชีพของพระองค์อาจจะยืนยาวต่อไปอีกมนุษย์เราก็เหมือนอนกันทั้งนั้น มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังแม้บางทีตัวเขาเองก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าหวังไปทำไมและเพื่ออะไรก็ความหวังนี้เองมิใช่หรือที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงดวงใจน้อยๆของมนุษย์ให้ชุ่มฉ่ำมีพลังในการที่จะทำอะไรๆต่อไปอีกเมื่อสูญสิ้นแล้วซึ่งความหวังชีวิตของบุคคลนั้นก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งโรยรา เหมือนพึกษาหาน้ำและปุ๋ยหล่อเลี้ยงไม่ได้มีแต่จะยืนต้นตายอยู่กลางทุ่มก็ปานกันความหวังอันหนึ่งของมนุษย์ก็คือหวังให้มีอายุยืนยาวแต่จะมีมนุษย์สกิเกตคนในโลกที่จะสมหวังในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นพุทธสาวกชั้นอริยะเบื้องต้นคือโสดาบัน พระเจ้าพิมพ์พิสารจึงสามารถหาอาหารอีกอย่างหนึ่งมาชดเชยพระกยฐ า, ารทางพระวรกายที่ขาดไปนั้นคือธรรมทรงอาศัยความเอิบอิ่มในธรรมทรงอาศัยธรรมโมชะรสแห่งพระธรรมสามารถทําให้อินทรีย์แห่งพระองค์ผ่องใสยอยู่ได้พระองค์ทรงจมกลมคือเสด็จดําเนินกลับไปกลับมาที่บริเวณคุมขังนั้น ทรงพิจารณาธรรมที่พระตถาคตเจ้าเคยทรงแสดงแก่พระองค์ทรงพิจารณาสังขารในรูปลักษณะแห่งความแปลปรนตั้งอยู่ไม่ได้นานไม่มีอะไรควรจะยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเราชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าความเหน็ดเหนื่อยและทนทุกข์ทรมานทรมานไปจนกว่าความแตกดับจะมาถึง ทุกชีวิตกระเสือกกระสนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ถึงกระนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังพอใจที่จะก่อให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นเพื่อรับมรดกแห่งความทุกข์ทรมานไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นโทษแห่งสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ปรุงโปร่งขึ้นในพระทยัยประหนึ่งไฟดวงใหญ่สว่างโรคขึ้นในมุมมืดทาให้พระองค์ทรงมองเห็นชีวิต เป็นเพียงกระแสที่ไหลวนอันหนึ่งซึ่งทุกคนมองด้วยความพิศวงแต่ไม่อาจรู้ได้ว่ามันคืออัตราเมื่อทรงทราบประจักษ์ดังนี้ความหนักพระไทยในการจะต้องประคับประคองห่วงแหนชีวิตไว้ก็มาลายลงทรงวางเฉยต่อชีวิตนั้นเสมือนมองดูพระกยายหารในราชนะที่เหลือเสวยมนุษย์ที่เกิดมาควรบำเพ็ญกรณีอันใด กรณีนั้นพระองค์ได้ทรงกระทาแล้วทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมพระองค์ไม่เสียพระชาติที่เกิดอุบัติมาในโลกนี้ชีวิตของพระองค์มีกําไรมีกําไรอย่างมากพระองค์ทรงเป็นโสดาบันชีวิตไม่ตกตามกว่านี้อีกเป็นอันขาดชีวิตมีกําไรกําไรแห่งชีวิตช่างเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์บางพวกอะไรเช่นนั้น ที่เข้าใจว่ากาไรแห่งชีวิตอยู่ที่การตามใจตัวเองในการแสวงหาความสุขความสาราญตามที่ใจปรารถนาแล้วเขาก็ปล่อยกายปล่อยใจให้จมดิ่งลงไปคลุกเคล้ากับโลกียาพรอบายามุกและหายนะวิถีนานาประการเท่าที่โอกาสอำนวยและเงินตราจะอำนวยให้ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งเดียว ที่เขาพากันเข้าใจว่ามันเป็นกำไรแห่งชีวิตเขาได้เคยตั้งปัญญาถามตัวเองบ้างหรือว่าชีวิตคืออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกำไรชีวิตคืออะไรถ้าเขาตั้งจุดหมายของชีวิตไว้ที่ความเลวซามต่ำช้าแล้วการกระทำอะไรตามใจตัวโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมมโนธรรม ไม่ต้องคำนึงถึงเวลาที่ต้องเสียไปเปล่าในการหมกมุ่นด้วยเรื่องอบายามุกก็เป็นกำไรชีวิตในทางเสื่อมอย่างมากแต่ถ้าจุดมุ่งหมายชีวิตอยู่ที่ความดีการได้ทำความดีประกอบกิจที่เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมการไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปในการหมกมุ่นด้วยอบายามุกก็เป็นกำไรชีวิตอย่างมาก ปัญหาจริงอยู่ที่ว่าใครจะหากําไรชีวิตทางด้านใดเท่านั้นเบื้องหน้านนัชงอนผายแห่งคิดฉกูฏบันพศพระตถาคตเจ้าผู้มีพระมหากรุณาหาที่สุดไม่ได้เสด็จมาประทับยืนรับรมร้อนกับร่มเงาแห่งสายันนการ ชายพระสุคตจีวรปลิวสบัดน้อยเมื่อพระพายรําเพยพระชัพพรรณรังสีแห่งพระพุทธองค์เปล่งออกจากพระเศียรขับพระชวีส่วนที่อยู่ภายนอกผ้ากาสาวพัดดูผุดพองเมื่อทั้งสประการคือพระชัพพรรณรังสีหนึ่งกาสาวพัดสีเหลืองหมนหนึ่งพระชวีของพระพุทธองค์หนึ่งมารวมกัน จึงบันดาลให้เป็นภาพที่ทรงสิริวิราชควรแก่การทัศนาปานดังว่าสุริยะมณฑลเมื่อจะรับเปลี่ยมสิงขอนยามสายันพระเจ้าพิมพิสารกษัต ร, ริย์ชราทอดทัศนาชายจีวรแห่งพระสุคตเจ้าแล้วก็เกิดสมนัตอินทรีปิติประโมทเอิบอาบทั้งปวรากายและพระห ท, ทยัยทรงรู้สึกเหมือนหนึ่งว่า พระพุทธองค์เสด็จมาโปรโดทุกวันทุกวันพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่เยี่ยงนี้ตลอดเวลาที่ถูกตัดขาดจากพระกยาหานเจ็ดวันล่วงไปกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแคว้นมคตทรงทราบว่าพระราชบิดายังทรงพระชนอยู่ทรงรู้สึกอึดอัดพระทัยอย่างมากแต่ไม่ทราบว่าจะทรงแก้ไขปัญหานี้อย่างไรพอดีที่ปรึกษาคนสําคัญได้เข้าเฝ้าในเย็นวันหนึ่ง เขาคือพระเทวทัตผู้ไม่เคยรับรู้ว่าบาปคืออะไรมหาบอพิษสมพระสำราญดีอยู่หรือคำแรกที่พระเทวทัตทูลถามมีปัญหาหนักใจมากท่านอาจารย์พระชจาอชาติสตรูส่งตอบเรื่องอะไรรือมหาบอพิษสมเด็จพระราชบิดายังทรงพระชนอยู่แม้จะสั่งงดพระกยาหารมาเจ็ดวันแล้ว พระเจ้าชาติสัตรูตรัสตอบพร้อมด้วยถอนพระทายใหญ่ก็ไม่ยากอะไรนี่มหาวพิษเทวทัตทูลยิ้มน้อยอย่างผู้มีชยัยปรงพระชนเสียให้หมดเรื่องท่านอาจารย์คิดว่าควรจะปรงด้วยวิธีใดที่พระเจ้าพิมพิสารพระชนชีพอยู่ได้นะ่ะพระองค์อยู่ได้อย่างไรพระเทวทัตทูลถามข้าพเจ้าได้ทราบว่าทรงดารงพระชนอยู่ด้วยวิธีจงกรม พิจารณาธรรมของพระมหาสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาที่ชะง่อนผาแห่งภูเขาคิชกูดเสมอเหมือนจะเสด็จมาโปรดสมเด็จพระราชบิดาพระเจ้าเอาชนศตรูตรัสตอบถ้าอย่างนั้นพระเทวทัตยหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ควรจะผ่าพระบาทเสียสำหรับเรื่องทางด้านพระพุทธเจ้าอัตมาภาพจะจัดการเอง จะไม่รุนแรงไปหรือท่านอาจารย์พระเจ้าชาติศัตรูทรงทักท้วงไม่มีอะไรรุนแรงเลยมาหาบอพีษเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเมื่อตั้งตนเป็นศัตรูกันแล้วก็ต้องทำลายกันเพราะถ้าไม่ทำลายศัตรูศัตรูก็ต้องทำลายเราศัตรูที่ทำลายเราทีหลังจะทำลายอย่างสาหัสแสบเผ็ดมากเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าศัตรูแล้วต้องทาลาย ว่าแล้วพระเทวทัตก็ถวายพระพรลากลับทิ้งให้พระเจ้าอาชาติศัตรูตัดสินพระไทยเองโดยลำพังวันรุ่งขึ้นเวลาเย็นขณะพระศาสดาเสด็จกลับจากบำเพ็ญพุทธกิจเสด็จขึ้นสู่ภูเขาคิดจกูร และตั้งพระไทยว่าจะประทับยืนที่จะงอนผาอย่างที่เคยกระทามาพระเทวทัตซึ่งซ่อนตัวอยู่ตั้งแต่บ่ายเมื่อเห็นพระตถาคตเจ้าเสด็จขึ้นมาตามทางแคบจึงกลิ้งศิลาก้อนใหญ่ลงไปหมายจะให้ทับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เนื่องด้วยพระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาเต็มรอบบริบูรณ์ใครๆไม่อาจจะปรงพระชนพระตถาคตเจ้าได้ ไม่ว่าจะด้วยความพยายามปานใดและโดยลักษณะใดจึงบรรดาลให้ศิลาใหญ่ก้อนนั้นกลิ้งมากระทบหินใหญ่ก้อนหนึ่งก่อนที่จะถึงพระตถาคตเจ้ามันแตกกระจายสะเก็ดหินปลิวไปกระทบพระบาทแห่งพระโลกนาฏเพียงพระโลหิตห่อเท่านั้นพระเทวทัตหลบหนีไป พระพุทธองค์มีพระพักเฉยตามแบบผู้รู้เจนจบต่อความเป็นไปของโลกและชีวิตข่าวเรื่องนี้ทราบถึงหมอชีวกโกมารพัฒเขาได้มาถวายการรักษาเพียงวันเดียวเท่านั้นพระอาการห่อพระโลหิตแห่งพระตถาคตก็หายเป็นปกติฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อพระเทวทัตกลับแล้วทรงดำริอย่างลึกซึ้ง มีอาจตัดสินพระไทยลงไปได้ว่าจะทรงทำประการใดพระทัยหนึ่งอยากปลงพระชนสมเด็จพระราชบิดาเสียเพื่อให้ทรงหมดห่วงกังวลในเรื่องนี้แต่อีกพระทัยหนึ่งทรงปรารถนาให้พระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนเองซึ่งก็คงไม่นานนะักบังเอิญเวลาที่พระเจ้าอาชาศัตรูกาลังลังเลพระททยอยู่นั่นเองมีข่าวเกิดขึ้นว่า คณะนายทหารขร้าราชการและประชาชนบางกลุ่มจะรวมกําลังกันหาอุบายยื้อแย่งพระเจ้าพิมพิสานออกจากที่คุมขังและจะโค่นราชบัลลังก์ของกษัตริย์ใหม่เพื่อถวายราชสมบัติแก่พระเจ้าพิมพิสารดังเดิมข่าวเรื่องนี้เป็นความจริงแค่ไหนหรือไม่ก็ตามแต่มันก็ช่วยเร่งวันสิ้นพระชนของกษัตริย์ชาราให้มาถึงเร็วเข้าเพราะข่าวนี้เอง พระเจ้าชาติศัตรูจึงตัดสินพระไทยทันทีว่าจะต้องปรงพระชนพระราชบิดาทั้งนี้เพื่อไม่ให้นายทหารและประชาชนผู้คิดก่อการมีความหวังในตัวบุคคลที่จะครองราชนอกจากพระองค์เองแผนการปรงพระชนพระราชานอกราชบัลลังก์ก็เกิดขึ้นพระเจ้าชาติศัตรูให้จับพระเจ้าพิมพิสารให้เตรียมมีดโกนอันคมกลิบเตรียมน้ำเกลือ และหลุมฐานเพลิงแห่งไม้ตะเคียนเพชรคาดมีหน้านองด้วยน้ําตาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพ์พิสารทูลว่าเท hey, วะวาระสุดท้ายแห่งพระองค์มาถึงแล้วข้าพระพุทธเจ้าต้องทําตามพระกระแส ร, รับสั่งแห่งพระเจ้าชายอาชาติศัตรูโทษอันใดจะพึงมีเพราะการกระทําครั้งนี้ขอพระองค์ผู้ประเสริฐพึงอภัยโทษอันนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วย ทำเธอทำตามพระกระแสรับสั่งแห่งพระเจ้าแผ่นดินของท่านและตามหน้าที่ของท่านกษัตริย์ชราตรัสพระกระแสเสียงแผ่วเบาแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ไม่มีโทษอะไรที่เราจะพึงอภัยท่านเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นโทษของท่านมิใช่โทษของเราและไม่ใช่โทษของใครใค แต่มันเป็นโทษของสังสารวาัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดตัางหากถ้าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องเช่นนี้ก็ไม่เกิดขึ้นความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตรเราพร้อมแล้วที่จะตายเชิญท่านทําตามหน้าที่เถอะปรับจบประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วบันทมในท่า ง, งายคณะเพชฌฆาตจึงเตรียมเครื่องมือพร้อมแล้วดำเนินการ จับมีดโกนกรีดพระบาททั้งสองข้างเป็นทางยาวพระโลหิตไหลทลักออกมาเหมือนน้ำสีแดงลงในลำทานพระวรากายของพระเจ้าพิมพิสารสั่นเทิมด้วยความเจ็บปวดพระองค์ทรงกัดพระทนแน่นบิดพระวรากายไปมาประดุดงูพิษถูกกดด้วยไม้งามเพชฌฆาตอีกคนหนึ่งราดลดน้ำเกลือลงราดแล้วราดอี แล้วนำไปย่างที่หลุมถ่านเพลิงอดีตกษัตริย์แห่งแคว้นมคตก็ถึงความวิบัติแห่งพระชนชีพด้วยประการชนี้ขณะเดียวกับที่สายใยแห่งกายทิพย์และกายเนื้อจะขาดจากกันนั่นเองท้องฟ้าซึ่งแจ่มใสก็กลายเป็นมืดคลึ้มโดยฉับพลันกลุ่มเมฆซึ่งเปลียวกระจายอยู่ได้หมุนตัวเข้ารวมกันแล้วแผ่กระจายออกปกคลุมทั่วเบญจกิรีนคร น่านฟ้าทางทิศตะวันตกสีแดงชานคู่ขนานกับเส้นขาวทาบยาวจากทักษิณสู่อุดรฝนโปรยลงมาทีละห้าเม็ดแล้วเสียงกลืนครันบนท้องนภาอากาศก็ดังสนั่นวันไหวอาสนีบาทฟาดเปเรียงปร่างลงณมุมห้องต่างๆของนครราชฤก์ก่อความตื่นตระหนกแก่ถวยชนยิ่งนัก วันเดียวกับที่พระเจ้าพิมพ์พิสารสิ้นพระชนนั่นเองพระอรรแห่งพระเจ้าอชาติศัตรูก็ประสูตดอุไทัยพัฒกุมารทรงลืมพระเนตรขึ้นดูโลกพร้อมๆกับสมเด็จพระอัยกาได้หลับพระเนตรสนิทละทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังนั่นแลเจ้าพนักงานเข้าเฝ้าพระเจ้าอชาติศัตรูกราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้พระองค์ทรงมีพระราชาอรสเป็นองค์แรกแล้ว ทันใดนั้นความรักบุตรซึ่งเป็นความรู้สึกทั่วไปของบิดาเกิดขึ้นท่วมท้นพระไทยของกษัตริย์แห่งเบนจกักีรีนครโอ้ลูกลูกจกเป็นคำไพเราะและกินใจสำหรับพ่อเซนิกรายพระองค์ทรงอุทานเบาๆขณะนั้นเองจินตนาการของพระองค์ก็ย้อนไปถึงอดีตอดีตที่เคยเกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน เมื่อพระองค์ประสูติสมเด็จพระราชบิดาก็คงจะทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับที่พระองค์รู้สึกอยู่เวลานี้พระองค์ประจักษ์ความรักของพระบิดาเมื่อพระองค์ทรงมีพระโอรสแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองคนส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนี้ราบใดที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วยตนเองตราบนั้นคําสอนต่างๆที่เคยได้ยินได้ฟังมา ดูช่างจืดชืดแห้งแล้งเสือเกินแต่เมื่อประสบการณ์ด้วยตนเองคำสอนคำเตือนแม่เล็กเล็กน้อยน้อยก็ดูมีค่าควรแก่การยกย่องเทิดทูนใครเล่าจะซึ้งในคำว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐยิ่งไปกว่าผู้ถูกทรมานด้วยโรคร้ายใครเล่าจะกินใจในพระพุทธดำรัสที่ว่าผลแห่งความชั่ว ย่อมติดตามแผดเผาในภายหลังได้ยิ่งไปกว่าผู้เคยกระทำชั่วร้ายแล้วเกิดความสำนึกผิดด้วยความสังเวชสลดใจเมื่อผลแห่งความชั่วนั้นตามมาแผดเผาเข้าจริงๆใครแล้วจะทราบซึ้งในพระพุทธวจนะที่ว่าผลแห่งสุจริตกรรมย่อมอำนวยสุขสดชื่นทั้งกลางคืนและกลางวัน ยิ่งไปกว่าผู้ได้ตั้งใจประกอบกุศลธรรมอยู่เสมอด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่แน่และแล้วผลแห่งกรรมดีนั้นตามมาสนองตนใครเล่าจะเห็นใจและเข้าใจคนยากจนขับแค้นยิ่งไปกว่าผู้ที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์เพราะความยากจนหรืออย่างน้อยก็เคยประสบภาวะเช่นนี้มาแล้วใครเล่าจะเข้าใจถึงความชอกช้ำเพราะพิษรัก ยิ่งไปกว่าผู้ที่เคยมีรักสลักจิตมาแล้วและคงจะเหลือไว้แต่ร่องรอยให้ระลึกถึงด้วยความปวดร้าวใจประสบการณ์ประสบการณ์ช่างเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อชีวิตศเซนีการายด้วยเหตุนี้เองโลกจึงให้เกียรติและยกย่องผู้มีประสบการณ์ในฐานะผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้คําแนะนําสั่งสอนของโบราณบัณฑิตนั้น ส่วนใหญ่ได้มาจากประสบการณ์แต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ไม่ค่อยรู้จักเขตดลาบแม้บางเรื่องจะได้มีประสบการณ์มาด้วยตนเองแล้วเคยปวดร้าวระบบ ม, มาแล้วเมื่อเวลาล่วงไปพอสมควรเขาก็ลืมและเริ่มทำอีกปวดร้าวอีกและทำอีกจนกว่าเขาจะสำนึกได้ว่าอะไรควรเว้น พระเจ้าอาชาติศัตรูก็เช่นกันเมื่อพระองค์ทรงทราบถึงความรักของบิดาที่มีต่อบุตรและระลึกถึงพระราชบิดานั้นพระองค์ก็สะดุ้งพระทัยมากเป็นเวลานานแล้วที่พระองค์รับสั่งให้ขับสมเด็จพระราชบิดาและสั่งปลงพระชนด้วยวิธีที่น่าสยองจึงรับสั่งให้เจ้าพนักงานเร่งไปปลดปล่อยพระราชบิดาแต่เจ้าพนักงานอีกคนหนึ่งทูลว่า บาดนี้สมเด็จพระราชบิดาสิ้นพระชนเสแล้วคำว่าสมเด็จพระราชบิดาสิ้นพระชนเป็นเสมือนสายฟ้าฟาดเปลี้ยงลงท่ามกลางพระเศียรจอมคนแห่งมคธรัสรู้สึกพระกันอื้อพระเนตรลายทรงมึนงงสเสด็จไปเฝ้าพระบรมศพแห่งพระราชบิดาและถึงซึ่งวิสัญตีภาพลงณที่นั้น เมื่อทรงฟื้นพระองค์โดยการช่วยเหลือของแพทย์ประจำพระองค์ก็ทรงระลึกถึงสมเด็จพระราชชนนีเวเทหิว่าพระแม่เจ้าจะทรงเศร้าพระไทยปานใดในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระราชบิดาและการนั้นเป็นไปด้วยน้ำมือของลูกเองพระองค์ทรงร่ำครวญอย่างปวดร้าวพระไทยแล้วรีบเสด็จสู่ตาหนักแห่งสมเด็จพระราชชนนี ฝ่ายพระนางเจ้าเวเทหิมาลัยแห่งแคว้นโกศลพระนางเจ้าเวเทหิเป็นราชธิดาแห่งแคว้นโกศนเป็นพระกนิตฐภคินีของพระเจ้าประเสณธิโกศนบัดนี้ทรงสูผ้ผอมลงอย่างมากเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับอย่างปกติจึงเป็นเหมือนบุพผาชาติซึ่งขาดน้ําหล่อเลี้ยงมีแต่ใจเหี่ยวแห้งโรยรา พระนางสูญสิ้นแล้วซึ่งความหวังความหวังของสตรีส่วนใหญ่มอบไว้กับบุตรและสามีบัดนี้พระราชะสวามีถึงแล้วซึ่งความวิบัติพระโอรสเล่าก็ไร้ค่าในการดำรงวงตระกูลภาวะเช่นนี้เป็นเสมือนยาพิษแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตของพระนางมันมีฤทธทรมานให้ค่อยๆสิ้นพระชนไปทีละน้อย อะไรจะปวดร้าวทรมานสําหรับชีวิตสตรียิ่งกว่านี้ขณะที่พระนางทรงลําพึงถึงพระราชสวามีและทรงจินตนาการย้อนหลังถึงอดีตอันนานไกลนั้นเองนางสนองพระโอษฐ์เข้ามาทูลว่าพระราชบุตรขอเข้าเฝ้าพระนางเหลียวพระพักมาจ้องมองนางสนองพระโอษฐ์ในลักษณะการเฉยเมยประหนึ่งนักพรตผู้ตัดแล้วซึ่งกระแสกิเลสทั้งปวง มองดูรัชนียารมณ์อันเป็นที่กำหนัดพึงใจมองดูรัชนียารม์อันเป็นที่กำห น, น, น, น, นัดพึงใจของปวงปุถุชนผู้ยังตัดอะไรไม่ได้นิ่งและนานไม่มีพระดำรัดใดออกจากพระโอษฐเลยในที่สุดพระนางก็แสดงพระอาการในลักษณะประธานอนุญาตพยักพระพักเป็นทำนองว่าให้เข้ามาได้ พระเจ้าอาชาตศัตรูเข้ามาถวายบังคมพระยุคลบาทแห่งพระชนนีและทูลว่าข้าแต่พระมารดาหม่อมชั้นขอสารภาพผิดต่อพระมารดาหม่อมชั้นผิดไปแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะความโง่เขลาของหม่อมชั้นเองพระมารดาทรงลงโทษประการใดก็แล้วแต่เถิดแล้วราชามคุรัชก็ซบพระพักลง นัเบื้องพระยุคลบาทแห่งสมเด็จพระราชมารดาพระนางเจ้าเวเทหิทอดพระเนตรพระราชโอรสด้วยพระอาการเฉยเมย อ, อยากจะทรงกันแสงแต่บัดนี้พระนางไม่มีน้ำพระเนตรเสียแล้วมันหลั่งไหลจนแห้งเหือดประดุดหม้อน้ำซึ่งถูกไฟแผดเผาจนไม่มีน้ำให้กลายเป็นไออีกเลยรอแต่ที่หม้อน้ำจะระเบิดเท่านั้น ความตรอมต ร, ม, ตรมพระไทยในเรื่องนี้เป็นเสมือนอมพาตที่ค่อยๆกำเริบให้อวัยวะชาไปทีละน้อยบัดนี้พระไทยของพระนางเจ้าเป็นอมพาตไปเสียแล้วไม่เคยมีรอยแย้มสวนปรากฏบนพระพักเลยนับตั้งแต่พระโอรสครองราชและพระราชสวามีถูกกักขังอานิจจาเวเทหิมาลายแห่งแคว้นโกสน บัตรนี้มาถึงความเหี่ยวแห้งโรยราจะมีอุทกธาราทิพย์ได้เล่ามาประพรมให้มาไหลพวงนี้สดชื่นดังเดิมสักครู่หนึ่งผ่านไปพระนางจึงเอ่ยพระวาจาว่าอาชาติศัตรูถ้าแม่จะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าทุบตีหรือประหัตประหารเจ้าก็ต้องเสียชีวิตไปอีกผู้หนึ่ง การกระทําดังนั้นจะยังผลให้สมเด็จพระราชบิดาฟื้นคืนพระชนชีพขึ้นมาได้อยู่หรืออาชาติศัตรูเอ่ยเจ้านั้นเหมือนเด็กน้อยที่ถูกหลอกลวงให้เผาบ้านของตัวเองแล้วเข้าชักชวนให้ไปอยู่บ้านของเขาเจ้าก็หลงเชื่อในที่สุดเจ้าก็ประจักษ์ว่าบ้านใครเล่าจะสบายหน้าอยู่ถ้าบ้านของเราเอง เจ้าได้มณีอันมีค่าแล้วไม่รู้จักหวงแหนกลับโยนทิ้งแล้วตามไปทุบอย่างแหลกละเอียดแล้วนําเอาทองแดงมาปักเป็นปิ่นพระเกศาเป็นที่ยอะเยอะใหญ่ภัยของวินยูชนผู้มีในตาดีสมเด็จพระราชบิดาของเจ้านั้นเหมือนอนัญมณีมีค่าเกินเปรียบจะหาใครมีน้ำใจรักลูกเมียอย่างสมเด็จพระราชบิดานั้นหายากนัก อาชาศัตรูเอ่ยพระนางทรงถอนสะอื้นเบาๆด้วยความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเหลือประมาณสมเด็จพระราชบิดารักเจ้าสุดแสนจะพรนานาได้เมื่อเจ้าอยู่ในคันแม่และแม่แพ้อุทธร์เสวยเลือดจากสมเด็จพระชนกนาถพระองค์ยังทรงเอาพระขันเกรดพระพาหาหลังเลือดให้แม่อีกคราวหนึ่งเจ้าเป็นฝีมีน้องกลัด ได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวเหลือประมาณสมเด็จพระราชบิดาทรงใช้พระโอษฐ์ดูดเอานองจากหัวฝีที่แขนของเจ้าได้โดยไม่ได้ทรงรังเกียจเลยเมื่อเจ้ายังอยู่ในคันแม่โหราจารย์ทำนายว่าเจ้าเป็นผู้ปลงพระชนสมเด็จพระราชบิดาและพระประยุรญาตวันใจยิ่งนักนึกอยากทาลายเจ้าเสีย เพื่อมิให้เหตุการณ์อันน่าสยองทํานองนี้เกิดขึ้นแต่สมเด็จพระราชบิดาทรงห้ามไว้เจ้าจึงรอดชีวิตมาเราอุตส่าห์ตั้งนามเจ้าว่าอาชาศัตรูหมายความว่ามิได้เกิดมาเป็นศัตรูแต่เจ้าก็เป็นจนได้ชีวิตหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นลูกเอ๋ยแม่เคยห้ามเจ้านักหนาแล้วว่าอย่าคบกับเทวทัตรพระอัลชี แต่เจ้าหาฟังไม่เห็นพระเทวทัตเป็นผู้ประเสริฐเลิอดมนุษย์บัดนี้พระเทวทัตเองก็ถูกขับไล่ให้ออกจากคณะสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลูกได้ก่อกรรมหนักไว้แต่ในชีวิตคนเมื่อล้มแล้วก็ต้องพยายามลุกเจ้าจงลุกขึ้นหมั่นสร้างบุญกุศลเข้าหาสมณะผู้สงบไม่มีบาป พระผู้มีพระภาคเจ้ายัางประทับอยู่ที่แคว้นของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐแท้เป็นที่เลื่อมใสแห่งสมเด็จพระราชบิดาการครบคนพาลให้ผลร้ายอย่างนี้ขอให้เจ้าถือเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนชีวิตที่แพงที่สุดซึ่งเจ้าไม่ควรลงทุนแต่เจ้าได้ทําไปแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสํานึกบาปอย่างลึกซึ้ง ถวายบังคมพระราชมานดาด้วยความเคารพอย่างแท้จริงทรงถวายปฏิญาณกับพระมารดาว่าจะไม่ทรงคบกับพระเทวทัตอีกและทูลาพระรชมานดากับสู่พระตำหนักของพระองค์พระนางเจ้าเวเทหิไม่สามารถรักษาแผลในพระทัยได้ทรงตรอมตรมขมคืนอยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็สิ้นพระชนตามพระราชสวามี ไปในระยะไม่นานนักคราวนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูต้องประสบความวิปรโยคอย่างใหญ่หลวงทรงสำนึกพระองค์ได้ว่าได้ก่อกบาปอั น, น่าสยองแก่สมเด็จพระราชบิดาและทรมานพระราชมารดาให้สิ้นพระชนไปอีกด้วยอะไรเล่าจะทรมานจิตใจมนุษย์ยิ่งไปกว่าการสำนึกผิดโดยไม่มีทางแก้มันเป็นแผลใจที่ยากจะลบเลือนหาย แต่จงอภัยเถิดคนที่เคยสํานึกอย่างลึกซึ้งในบาปชนิดใดมาแล้วเขาจะไม่ทำบาปชนิดนั้นอีกไม่ว่าจะถูกยั่วยวนสักปานใดทั้งนี้เพราะความสํานึกบาปนั้นคอยกระตุ้นเตือนจิตอยู่เสมอไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรมานจิตใจไปยิ่งกว่าผลแห่งบาปมนุษย์เกิดมาต้องทำบาปกรรมอยู่บ้างไม่มากก็น้อย แต่เมื่อสำนึกบาปแล้วจะต้องพยายามละเสียและไม่คิดทำลายอีกไม่มีอะไรสายเกินแก้ขอให้เริ่มใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วข้างหน้าจะดีเองอย่าท้อใจเลยแม้จะสูญเสียอะไรไปหมดแล้วแต่อนาคตยังมีให้อยู่เสมออนาคตยังเป็นของทุกคนอยู่